บุกทูยี่สิบหกดูดกธรรมชาติและนัตูรคุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมคะชูวิวิด a สล a ทูร์ทีเอคุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมคะ ชูวิวิดัสลามอนตาร o นท i เอคุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมคะชูวิวิดัส s a วิล l ่าจอ i ทีเอคุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมคะชูวิวิดัสลาริเวอร์นท i เคุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมคะชูวิวิดัสลาปอนตันทีเอ คุณเห็นทะเลาสาบตรงนั้นไหมคะชุวิวิดา ล, าลากอนทีดิฉันชอบนกตัวนั้นียูเบดโดลัสอัลมีดิฉันชอบต้นไม้ต้นนั้นทียูอาร์โบลาชัสอัลดิฉันชอบก้อนหินก้อนนี้ตนโตนลัสอัล ดิฉันชอบสวนสาธารณะแห่งนั้นดิฉันชอบสวนนั้นทดิฉันชอบดอกไม้นี้ดิฉันว่านั่นมันสวย ดิฉันว่านั่นมันน่าสนใจทรวัทเสดิฉันว่านั่นมันงดงามิทรดิฉันว่านั่นมันน่าเกลียดมิสเบล่ดิฉันว่านั่นมันน่าเบื่อิสติ ดิฉันว่านั่นมันแย่มิทรัพยสติลเทอร์ร